โอน่าสนใจอ ด, ดูที่ว่าวคนคิดอย่างนี้มากๆก็บวชที่นะแต่ว่าเขาจะบวชตาเด็ดหรือเปล่ากันนี่ น, น, นะก็ <c oughs> คงเป็นวันอาทิตย์หน้านี่ก็คงพอได้รู้นะว่าเออเขาคิดอย่างงี้นะคนที่มีอุปนิสัยที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามีแนวความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้นะของเราไปคิดตามท่านดูสิเราก็ได้กล่าวถึง สุเมธบัณฑิตสุเมธบัณฑิตนี่คือใครนะนึกออกนะสุเมธบัณฑิตก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้รับพุทธพยากร์ยังไม่ได้รับพุทธพยากรคือพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทํานายว่าสุเมธบัณฑิตนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นเป็นอนิจจะโพธิสัตว์ เป็นผู้ที่ยังไม่แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้เขาได้รับพุทธพรรยากรทำไมเขาจึงได้รับพุทธธรรมนายแล้วก็เลยกล่าวถึงประวัติของสุเมธบัณฑิตในอดีตชาติเมื่อสีอสงไขยเสดสนกับที่แล้วอ่ะกล่าวว่าสุเมธบัณฑิตนั้นเป็นลูกของเศรษฐี ของพระมหาสาลที่มีทรัพย์มากอยู่ในเมืองเมืองอะไรนะเมืองรามมาวดีนะเมืองรามมาว่างั่นเองเป็นลูกของเศรษฐีที่มีฐานะมากมีการศึกษาสูงตอนหลังบิดามารดานี้สิ้นชีวิตหมดนะก็เป็นผู้ที่รับทรัพย์มรดกตั้งแต่ยังหนุ่มก็มาพิจารณาพิจารณาถึงชีวิตพิจารณาถึงกองทุกข์ของคนที่เกิดมาแล้ว มีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมล์หลายอย่างด้วยกันซึ่งคําเปรียบเทียบอุปมาอุปไมล์เหล่านั้นก็เป็นคําเปรียบเทียบเพื่อเพื่อที่จะแสวงหาทางคืออริยมรรคแล้วก็เปรียบเทียบเพื่อที่จะแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานเสร็จแล้วก็เปรียบร่างกายของตัวเองเนี่ยเหมือนเรือเก่าที่ขําคล้านะมีรูรั่วผุพังอย่นั้นเสร็จแล้วก็เลยคิดออกบวท ซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวมาถึงตรงนี้ครั้งนี้ก็ต่อไปว่าสุเมธบัณฑิตเนี่ยคิดเนื้อความประกอบด้วยเนคขมมะคือคิดแบบคนที่มีใจที่จะออกจากวัฏจักความคิดที่ออกจากวตฏความคิดเหล่านี้เรียกว่าเนคขมมะท่านก็อุปมาด้วยนัยยะต่างๆอย่างนี้แล้วก็สละกองพวกคสมบัตินับไม่ถ้วนในเรือนของตนแกเหล่าชน มีคนกำพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้นตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วในหนหลังคือพอคิดจะออกบวชยางไงเข้ า, านะทรัพย์สมบัติไม่ได้เกื้อกูลต่อนักบวชนั้นก็เลยเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบริจาคทานหมดถวายมหาทานละวัตถุกรรมและกิเลสกรรมแล้วออกจากนครออกจากอมร น, นครคนเดียวเท่านั้นอาจจะมีคำว่าออกจากวัตถุกรมและกิเลสกาม วัตถุกรรมนั้นเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนั่นเองถ้าพูดเป็นวัตถุไปเลยก็คือเรือสวนไรนาเงินทองข้าวของบุตรภรยาทาทาสกรรมกรบ้านเรือนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าวัตถุกรรมคำว่าวัตถุนี้แปลว่าเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งแห่งการคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่หรือความพอใจความกำนักวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความพอใจความกำนังสละวัตถุการและกิเลสการกิเลสการก็คือความยินดีในอารมณ์นั้นๆเช่นบ้านนี้เป็นวัตถุกามกิเลสที่ไปยินดีในบ้านเรียกว่ากิเลสการเงินนี้เป็นวัตถุกามใจที่ไปยินดีในเงินนั้นเรียกว่า กิเลสการมที่นาที่ดินที่บ้านเป็นวัตถุกรมใจที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสการมนี่เราก็พอแยกออกน ะ, ะวัตถุการมนั้นเป็นเรื่องของวัตถุทั้งหมดเลยกิเลสการมนั้นได้แก่สภาพจิตที่เข้าไปยินดีเข้าไปติดข้องสุเมธบันดิตนี้ก็ละคลายความยินดีละคลายความติดข้องในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ ไปอาศัยอยู่ในภูเขาชื่อว่าธรรมิกะในป่าหิมพานต์คำว่าภูเขาชื่อว่าธรรมิกะนี้เพราะว่าเป็นภูเขาที่นักบวชทั้งหลายเขาจะไปอยู่ที่นั่นกันมันก็เหมือนกับเป็นแหล่งของนักบวชผู้สแสวงหาฤทธิ์หาฌานเขาก็จะไปอยู่ที่นั่น น, นะสร้างอาสมเนรมิตรบรรณสาลาที่จงกรมเนรมิตรขึ้นด้วยกําลังบุญของตน เฉพาะเนื้อความที่กล่าวในหน้าสิบนี้เป็นสรุปเนื้อหาโดยย่อให้เราดูก่อนเสร็จแล้วจะได้อธิบายเนื้อความพิสดารโดยอีกครั้งนะนี่เราก็มาฝึกใช้คำภีร์ไปด้วยในขณะเดียวกันฟังคําบรรยายด้วยฝึก ด, ด, ดูคำภีรไปด้วยนะคงไม่ต้องเรีบเท่าไห ร, นะร่นะพรารีบแล้วก็ต้องกลับมาอา่านที่กล่าวอีกนั่นแหละอะพอท่านไปบวชอยู่อย่างนี้นะไปบวชอยู่ในภูเขาหิมาพานเขาหิมาพานก็คือไอ้แถบทางเหนือของอินเดีย แถบภูเขาอันนั้นนะ่ละภูเขาหิมาลัยอ่ะแถบๆนั้นแหละสร้างอาสมเนรมิตรบรณารณาศาลาเมื่อก่อนนี้ฟังแล้วงงโอ้บรณารณศาลามันคงวิจิตรพิสดารงามหรูมากกุฏิอะไรรูป้ปะกุฏิยาคาสร้างกุฏิยาคาหรือกระท่อมยาคานั่นแหละคือบรณา ร, าบรณาศาลาบรรณาแปลว่าใบไม้อ่ะใบตองแห้งพวกยาคาพวกใบตองนี่นแหละแล้วก็ ในในที่มีศาลาก็มีที่เดินจงกรมนะที่เดินจงกรมก็คือที่เดินกลับไปกลับมาคือตามธรรมดาชีวิตของคนเนี่ยมันต้องใช้อิริยาบดสใช่ไหมสี่ระยนมีจักรสี่วาวรเก้าจักรสี่นี่มันก็ต้องหมุนกันไปอย่างสมดุล น, นะเดินเกินไปก็ป่วยนั่งเกินไปก็สุขภาพไม่ดีนอนเกินไปก็ไม่ไหวยืนเกินไปก็ไม่ดีเพราะนิอิรยาบดสี่นี้ต้องสัมพันธ์กันอันนักบวชทั้งหลายนี่ก็ต้องอยู่ด้วยอิริยาบดสี่ อย่าไปทําการทํางานไปยืนไปเดินแบบอย่างอื่นก็ไม่เหมาะมันก็ต้องมีการทําที่เดินกลับไปกลับมาซึ่งไม่เสียมารยาทดูแล้วก็งามอย่างเงี้ยมันก็ต้องแล้วในการเดินของท่านเนี่ยท่านเดินทางใจเหมือนกันเถอะเดินทํางานทางใจของเราเนี่ยเดินขยับเอางานทางกายใช่ไหมหยิบโน่นจับนี่ถือนั่นไปก็อันนี้งานกายแต่ของท่านเดินกลับไปกลับมาเพื่อทําการงานทางใจก็คือเดินเจริญกรรมาฐานไปด้วยนั่นเอง ในที่ที่อยู่และที่จงกรมเหล่านี้นะก็เป็นที่ที่เกิดขึ้นด้วยกําลังแห่งบุญเหมือนกันเพื่อที่จะละเวน้นเสียจากโทษแห่งนิวรณ์ทั้งห้าที่ที่นั่งที่เดินพวกนี้เนี่ยนะมันบําบัดนิวรณ์ห้าได้ง่ายนํามาซึ่งกําลังกล่าวคืออภิน ญ, ญาที่ประกอบด้วยเหตุอันเป็นคุณแปดประการอภิญญาเนี่ยนะมันมีกําลังอ่ะ ทำให้ได้รับกําลังที่เป็นคุณแห่งอภิญญาเนี่ยนะมีแปดอย่างนะคืออภิญญานั้นเป็นชื่อของการรู้ยิ่งว่า น, นั้นแต่อภิเนี่ยแปลว่ายิ่งยาเนี่ยแปลว่ารู้ยิ่งรู้เกินกว่ามนุษย์ธรรมดารู้ทั่วไปเช่นรู้แล้วแสดงฤทธิ์ได้รู้วาระจิตมีตาทิพมีหูทิพหรือว่าสามารถที่จะเนรมิตอนานะมนโนมิยิที่คือ แสดงเนรมิตอีกคนหนึ่งเลยนะเหมือนตัวเองเปี้ยเลยเนี่ยขึ้นมาอีกคนหนึ่งได้ความรู้ลักษณะนี้เรียกว่าอภิญญาความรู้เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะทําได้เป็นอุตตริมนุสธรรมถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะไปอวดว่ามีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุแห่งปราชิกอั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์อั้นอภิญญานี่นะมีคุณอยู่แปดประการด้วยกัน การได้ยินนะคุณของอภิญญาเนี่ยนะคุณของจิตที่เป็นฌานชั้นสูงเลยมีแปดอย่างคือเป็นจิตที่หมดจดและบริสุทธิ์จิตนั้นจะเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นใจที่สะอาดและผุดผ่องข้อสองนะข้อหนึ่งก็คือหมดจดบริสุทธิ์ข้อสามสะอาดผุดผ่องข้อสี่ก็ไม่มีมณทินคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นจิตที่ไม่มีมณทินไม่เศร้าหมอง แล้วก็เป็นจิตที่ปราศจากอุปกิเลสมานะเป็นต้นจะไม่เกิดขึ้นในจิตชนิดนั้นจิตชนิดอภิญญาเนี่ยแล้วก็จะเป็นจิตอ่อนโยนมุทุนะเป็นจิตที่อ่อนโยนกรรมัญญตาเป็นจิตที่ควรแก่การงานแล้วก็เป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวอันนี้คือลักษณะคุณของอภิญญาแปดอย่างนะทําให้เป็น จิตที่มีคุณภาพมากเมื่อเทียบในบรรดาจิตทั่วไป อ, อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อจิตมั่นคงอย่างนี้แล้วนะก็คือทําให้หมดจดสะอาดผุดพองไม่มีมนทินปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานมั่นคงไม่หวันไหวอันนี้ก็คือธรรมชาติของจิตที่เป็นอภิญญานั่นเองแล้วก็ละทิ้งภาสาดกที่ประกอบด้วยโทษเก้าประการในอาสมบทนั้น แล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบสองประการบวชเป็นฤาษีคนที่จะบวชเป็นฤาษีเนี่ยสละเป็นอย่างมากเลยท่านเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ก็ละบรรณาสาลานั้นซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยโทษแปดประการเข้าไปหาโคนไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบประการจะอธิบายต่อไปเลิกละข้าวต่างๆทั้งปวงไม่กินข้าวแล้วนะบวชอย่างนี้ไม่กินข้าวแล้วนะกินผลไม้แทน หันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นจากต้นเองเริ่มตั้งความเพียรด้วยอำนาจการนั่งและการยืนในการจงกรมภายในในเจ็ดวันนั่นเองก็ได้อภิญยาห้าสมาบัตแปดเอาจริงอ่ะนะสละทุกอย่างเลยนะข้าวยังไม่กินเลยเอาจริงขนาดนั้นนะจนว่าเจดวันนี้ได้อภิญยาเลยท่านได้บรรลุ ก, กำลังแห่งอภิญยาตามที่ปรารถนาไว้นั้นด้วยประการชนี้อันนี้คือเรื่องสรุปว่า พูดถึงวิธีการบวชวิธีการใช้ปัจใจสี่วิธีการปฏิบัติแล้วคุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเล่าเรื่องโดยสรุปก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านในที่นี้คือพุทธพจน์นะขวามือดำดำเนี่ยตัวหนาๆเนี่ ย, ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพุทธพจน์ขวามือดำดำทั้งหมดนั้นเป็นพุทธพจน์ว่าเราคิดอย่างนี้แล้วได้ให้ทรัพย์นั้นหลายร้อยกฏโอ้รวยมากเนาะแก้ยาจก อนาถาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ในที่ไม่ไกลแห่งป่าหิมพานต์ก็มีภูเขาชื่อว่าธรรมิกะเราสร้างอาสมไว้อย่างดีเนรมิตบรรณาศาลาไว้อย่างดีทั้งยังเนรมิต ท, ที่จงกรมเว้นจากโทษห้าประการเอาไว้ในอาสมนั้นเราได้กำลังแห่งอภินยาประกอบด้วยองค์แปดประการองค์แห่งอภินยาแปประการก็กล่าวไปแล้วนะเราเลิกใช้ผ้าสาดก ผ้าสาด ก, ก็คือผ้าห่มแบบที่เราใช้กันนี่แหละจากผ้าสาดประกอบด้วยโทษเกประการหันมานุ่งผ้าเปลือกไม้อันประกอบด้วยคุณสิบสองประการเราเลิกละบรรณศาลาที่เกลื่อนกล่นไปด้วยโทษแปดประการเข้าไปสู่โคนไม้อันประกอบด้วยคุณสิบประการเราเลิกละข้าวที่หวานที่ปลูกโดยไม่มีส่วนเหลือเลย หันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอเนกประการนะโขบริโภคผลไม้นี่มีอณิสงเพียบเลยนะก็ยิ่งแบบมังสวิรัตอีกงนะั้นพ่อผลไม้อย่างเนาะพ่อ ค, อคําอ่ะพ่อคําวันนี้ไม่เห็นเลยพอคํานี้เขาว่ามันมีฝรั่งอ่ะท่านเขาว่ามันกินแต่พวกผักไม้ใบหญ้าสดเลยอ่ะเวลาพ่อคํามาแกจะหอบผักมาถุงปุ๋ยหนึ่งอ่ะแกจะหอบผักก็ไปนั่งทานข้างหลังนู้นมีแต่ผักทั้งนั้นกขว่า แล้วบอกโอ้มันมันดีจริงๆเลยท่านอาจารย์ครับว่าเนี่ยพ่อคำเนี่ยเดี๋ยวคงมามั่อเอกสายหน่อยจะมาก็จะเหี้ยวผักมาถุงปุ๋ยหนึ่งเลยแกไป น, นั่งคานผักเยอะปนไหนไปที่ชมรอเนี่ยเอาผักเยอะมาถวายบอกฝรั่งเขาทานกันนี้แหละครับท่านอาจารย์ครว่าก็มีนะนักทานผักจริงๆก็มีซึ่งสุเมศบัณฑิตเนี่ยก็บอกโอ้โห้คนไปทําลักษณะนั้นจริงหรือเปล่าอย่าเงี้ยโอ้สมัยนี้ก็มีที่ทานผักผลไม้แบบนี้นะแล้วก็ การทานผักผลไม้นี่ก็มีคุณเป็นอเนกประการเริ่มตั้งความเพียรในที่นั่งที่ยืนและที่จงกรมในอาสมมบทนั้นภายในเจ็ดวันก็ได้บรรลุ ก, กําลังแห่งอภิน ญ, ญาโอ้โหนั่งปฏิบัติเจดวันนะอภิญญาห้าสมาบัติแปดเลยเนี่ยโอ้มีบุญมากนะถ้าอุปนิสัยไม่ได้ขนาดนี้นะทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นร้อยโกรธไม่ได้ทิ้งสมบัติหลายร้อยโกรธไม่ได้เพรานกาลังใจของท่านเนี่ยเกินกว่าคนธรรมดาจะคิดได้ เพราะว่าเป็นใจที่ถ้าพูดไปนะใจที่ห่างจากกิเลสมากพวกนี้ไม่มีกามาวิตกง่ายๆพ ย, ยาบามวิตกก็ไม่เกิดวิหิงสาวิตกก็ไม่เกิดทั้นใจของคนเหล่านี้เป็นกุศลวิตกสูงมากสามารถที่จะขบคิดเรื่องเดียวเนี่ยในเจ็วันไม่เปลี่ยนเรื่องความคิดได้เลยสามารถคิดเรื่องเดียวเนี่ยได้ยาวเป็นเจ็วันได้จึงจะฝึกคุณธรรมเหล่านี้ได้แต่ถ้าของเราเนี่ยมานั่งภาคเดียวแค่นั้นนะ เอาธรรมะมาคิดไปด้วยยังไปเรื่องอื่นสักเว็บไปแว็บมาแว็บไปแว็บมามาในงานสักอย่างเลยนะ <c oughs> นั่งฟุ้งอย่างเดียวนะก <c oughs> ็ที่ที่ไหนที่มีหลายแห่งสมัยก่อนเนี่ยเคยจัดงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมสามวันเจ็วันเนี่ยดึงคนมาเนี่ยนะเอ้แรกๆร ก, รกนี่เราก็พยายามให้เขานั่งอ้าวทุกคนมานั่งสมาธิกันหน่อยนะก็ะนั่งไลยโอ้หนั่งโยกซ้ายบางคนก็โยกขวาสับประงกหน้าสับประงกหนังอยู่นั่นแหละ ตอนหลังไม่ค่อยให้นั่งแล้วเดี๋ยวเทศให้ฟังเองพอเทศจบนะถ้าจะไปหลับก็หลับให้มันเต็มที่เลยอย่ามานั่งสับสงกเลยอายพระท่านอยงนั้นแล้วก็เป็นลักษณะนั้นน่ะนะนั้นผู้ที่เจริญกรรมฐานได้นั้นสามารถที่จะมีจิตไปกับอารมณ์เดียวเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะคําว่าสมาธินั้นก็คือจิตที่เป็นไปในอารมณ์เดียวโดยชอบและโดยยาวอยู่ในอารมณ์เดียวโดยชอบยาวสืบเนื่องไปนั่นแหละคือลักษณะของ สมาธิแต่ถ้าอุทจจะนะคิดถึงสีแวบไปหาเสียงจากเสียงไปหากลิ่นจากกลิ่นมาหาสีก็วนอยู่เจ็ดรอบบัญญัติเรื่องอื่นเข้ามาเปาะโน่นปะนี่ไปโน่นมานี่ก็ไปเรื่อยแล้วคันนี้นั่นแหะคืออุทจจะละไปยาวแต่ถ้าเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยนะได้อารมณ์ที่ดีสามารถยาวมั่นคงไม่หวั่นไหวในอารมณ์นั้นได้อย่างยาวข้อความทั้งหมดนั้นที่ว่าไปนั้นคือบทสรุป ทีนี้ก็จะมากล่าวโดยพิสดารจะอธิบายในคาถานั้นด้วยบาลีว่าอสโมสุกโตไมหังปันนะสาลังสุมาปิตังซึ่งเขาแปลว่าท่านกล่าวถึงบรรณศาลาและที่จงกรมไว้ราวกับว่าสุเมศบัณดิตสร้างเอาไว้ขึ้นด้วยมือของตนเองคือในบาลีนะพูดเหมือนกับว่าโอโ้ฤาษีคนนี้เนี่ ย, ยไปสร้างศาลาเองทีจริงบอกว่าไม่ใช่หรอก เนื้อหาเรื่องราวมีอยู่ว่าเท้าสกกะนทรงเห็นว่าพระโพธิสัตว์จะเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์แล้ววันนี้จกถึงภูเขาชื่อว่าธามิกะจึงรับสั่งเรียกวิศณุกรรมเทพบุตรว่านี่พ่อสุเมธบัณฑิตก็คือพระ อ, อินนะ่ะนะเรียกพนักงานถ่ายโยธาก่อสร้างมาว่าสุเมธบัณฑิตนี้ออกบวช ด, ด้วยคิดว่าเราจะบวชท่านจงเนรมิตที่อยู่ให้แก่พระโพธิสัตว์นั้น วิษณุกรรมเทพบุตรนั้นรับพระราชด âm รัสของพระองค์แล้วจึงเนรมิตอาสมที่น่ารื่นรมย์ใจบรรณศาลาสร้างอย่างดีที่จงกรมก็น้าเบิกบานใจท่านสชายไปดูที่มันหน้าอยู่ขนาดไหนที่จงกรมนะสามารถเจริญกรรมฐานได้แจ๋วๆว่าเดี๋ยวไปเร็งๆไว้หน่อยแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็ทรงอาศัยอาสมบทนั้นที่สําเร็จด้วยอานุภาพแห่งบุญของพระองค์พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตร คือในสูตรนี้นะเรื่องราวนี้คัดมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์ในคัมภีร์พุทธวงศ์นี้ตอนนี้เนี่ยเป็นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงกับภาษาดิบประวัติเนี่ยเพราะภาษาริบเนี่ไปถามว่าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีตั้งแต่เมื่อไหรตั้งปณิธานมาอย่างไรนะอภินิหารของพระองค์นี้เป็นอย่างไรพระองค์สั่งสมบารมีมานานขนาดไหนสั่งสมยังไงจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าประวัติของพระองค์ในอดีตให้ฟัง เพราะฉะนั้นคออความเหล่านี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงเล่าให้พระสารีบุตรฟังพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่ทำมิกะบรรพจน์นั้นน่ะอาสมเราได้สร้างขึ้นอย่างดีแล้วเนรมิตบรรณศาลาไว้อย่างดีทั้งยังเนรมิต ท, ที่จงกรมเว้นจากโทษห้าประการไม่ใกล้อาสมนั้นคาว่าสุขโตไมหังเนี่ยเราสร้างอาสมไว้อย่างดี ปัญนนะสาลังสุมาติตังแม้ปัญะสาลาที่มุงด้วยใบไม้ของเราก็สร้างไว้ดีแล้วบทว่าปัญจโทสวิวิชิตังความว่าเชื่อว่าโทษของที่จงกรมเนี่ยมีห้าอย่างคือที่จงกรมก็คือที่เดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะที่เดินบริหารเดินออกกาลังกายของของนักบวชเหมือนนเถอะที่ที่มีโทษมีห้าอย่าง ถ้าหากว่าใครมีศรัทธาจะสร้างที่จงกรมเนี่ยนะก็พยายามสังเกตดูอะ่ะอย่าให้มีโทษท่าอย่างนี้ก็คือหนึ่งที่จงกรมแข็งกระด้างและขรุขระข้อสองมีต้นไม้ในภายในมีต้นไม้อยู่กลางที่จงกร ม, มอย่างเงี้ยก็ไม่ดีหรือมุงไว้รกกรุงรังมุงอ่ะไม่ดีย่ว่ามุงไม่ไม่ดีอะ่อะเดี๋ยวเดินหัวชนอย่างเงี้ย หรือว่าสี่คับแคบมากที่เดินเนี่ยแคบมันก็เหมือนกับเดินสะพานไม้กระดานแผ่นเดียวอย่างเงี้ยมันแคบแบบนั้นนะ่ะไม่ดีหรือว่าที่ที่มันกว้างเกินไปอธิบายคําว่าจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสับแทนคําว่าอธิบายอธิบายว่าเมื่อบุคคลเดินจงกรมที่จงกรมมีพื้นดินแข็งกระด้างครุขระเท้าทั้งสองจะเจ็บปวดเกิดอาการพองขึ้นจิต จึงไม่ได้ความแน่วแน่และกรรมฐานก็จะวิบัติแต่กรรมฐานจะถึงพร้อมเพราะอาศัยการอยู่สบายในพื้นที่อ่อนนุ่มและราบเรียบเพราะฉะนั้นท่านพึงทราบว่าพื้นที่แข็งกระด้างและครุขระก็เป็นโทษอันหนึ่งที่เดินที่มันแข็งกระด้างอย่างยกตัวอย่างนะที่ที่พักเนี่ยมันมีที่เดินปูนอย่างเงี้ยที่เดินปูนเนี่ยถ้าหากว่าเดินไปเดินมาเนี่ยนะถ้าถอดรองเท้าเดินเนี่ย ไม่นานอะ่ะเดี๋ยวฝ่าเท้าจะแดงหมดเลยเสร็จแล้วมันแดงมันก็จะเข้าไปถึงเนื้อต้องไปหาน้ามันหาอะไรทาแล้วก็เลิกเดินจึงจะหายแต่ถ้ายังคืนเดินต่อไปนะเดินมา น, นะสามสี่ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเท้าเนี่ยบางหมดนะนั่นนั่นที่ปูนน่ะแบบแบบแบบมันมันสามารถทรายเนี่ยมันสามารถปาดให้เนื้อเนี่ยสึกไปได้สึกร้อไปแต่ถ้าเป็นพื้นลักษณะนี้นะพื้นหินขัดอย่างดีอย่างนี้เลยถ้าเดินแบบนี้เท้าจะ ก, กระด้างถ้าเดินพื้นที่แบบนี้มากๆเท้าจะ ก, กระด้าง เพราะมันแข็งวันพื้นที่แข็งกับครุขระนั้นมีโทษแข็งเกินไปเนี่ยเท้าเนี่ยถ้าเดินมากๆนะถ้าเดินแบบเดินแบบคนเดินออกกําลังกายนะไม่ใช่เดินแบบย่องนะถ้าเดินแบบเดินคนปกติเดินบนพื้นอย่างเงี้ยเท้าจะกระด้างหมดแต่ถ้าพื้นแข็งด้วยร้อนด้วยเนี่ยไปกันใหญ่เลยเนื้อเนี่ยจะสุกหมดแผ่นแผ่นเท้าเนี่ยจะหนาอันที่เดินลักษณะนี้เป็นโทษเอิถ้าเดินลักษณะนี้เนี่ย กรรมฐานก็จะบริหารกรรมฐานค่อนข้างยากครับครับผมขออนุญาตครับก็ที่เดินชุมกลมที่มอกองยิเป็นที่ทรายใช่ไหมครับที่ทําไว้นะครับทรายนะก็จะต้องมันให้มันแค่ซุยให้มันร่วนอยู่เสมอหรือไงฮะหรือว่าให้คืต้องเป็นทรายที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับผมแล้วก็แน่นพอสมควรไม่ใช่มันมันเหยียบลงไปแล้วก็ยุบลงไปเลยงเงี้ยก็ไม่ใช่ ถ้าเป็นที่เดินสายแล้วเดินแล้วยืบยุบไปเนี่ยเหนื่อยเร็วก็ถ้าใช้ถูกต้องก็ข้างล่างเป็นสายหยาบข้างบนเป็นสายละเอียดเดินทอนก็ได้แต่ว่าให้ให้แน่นหน่อยครับผมเจนทอนให้ให้แน่นหน่อยไม่ให้ยังไงเดินไปแล้วมันเหยียบยุ้ลงบุบลงไปเลยนะครับก็ไม่ดีครับเพราะว่าที่กุฏิของท่านนะมีที่เดินจุมกรมอยู่สองแห่งนะครับแห่งหนึ่งเป็นสายค่อนข้างเชแน่นหน่อยนะครับแล้วก็แห่งที่สองก็เป็นอเทคอนกรีต ตลอดแนวเลยก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักจริงๆเขาขออนุญาตไปทาให้ถูกต้องกับผมครับก็อนุโมทนาด้วยนะก็พูดถึงโทษของที่จงกรมในลักษณะนี้ด้วยในนันหนึ่งทีนี้ข้อสองโทษข้อสองคืออะไรมีต้นไม้ในภายในเนี่ยก็คือเมื่อต้นไม้มีอยู่ในภายในหรือท่ามกลางหรือที่สุดที่จงกรมเนี่ยนะ เมื่ออาศัยความประมาทเดินจงกรมหน้าผากหรือศีรษะก็จะกระทบเพราะฉะนั้นมีต้นไม้ในภายในจึงเป็นโทษข้อที่สองสังเกตอย่างอย่าง ท, ที่พักอยู่เนี่ยเวลาเดินเดินไปโมแต่ตรึกพระธรรมบางอย่างก็เอาใบอหัวไปชนใบกล้วยก็แล้อย่างเงี้ยก็จะมีโทษลักษณะนั้นอ่ะ ด, ดีเดินไปเผลอไอปไม้ที่คำ้ำใบกล้วยปอกเข้าไปก็คือจะเป็นลักษณะนั้น่ะนะเพราะว่าการเดินจงกรมในที่นี้ก็คือเดินแล้ว จิตเป็นไปกับประธรรมใช่ไหมก็ตรึกเป็นไปกับประธรรมคือธรรมชาติของจิตเนี่ยจะรู้ทีละอารมณ์ใช่ไหมถ้าจิตเป็นไปกับกรรมฐานมากมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะเพราะไม่ได้พิจารณาเนี่ยกับเรื่องอายตนะบัพพะเนี่ยใช่ไหมมันไปนพิจารณาหมวดอื่นๆถ้ายังเป็นส ม, มะถะกรรมฐานเนี่ยนะอารมณ์ของส ม, มะถะส่วนใหญ่เป็นบัญญัติส่วนใหญ่เป็นบัญญัติถ้าพุ้จคุณนี้เป็นปรมัตารแต่ปรมัตารนั้นเกิดทางมโนทวารวิถีมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญจทวารวิถี นนั้การรับอารมณ์ข้างหน้าก็เพียงแต่ว่ารับปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อที่จะการเดินเป็นไปได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโลกของความคิดซะส่วนใหญ่นะอันอย่าลืมว่าการเจริญสมถะก็คือการคิดนั่นเองแตกเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีท่านใช้คําว่าเนคขมวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญปุสลวิตกพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอยู่ ในคุณว่าพระพุทธเจ้านั้นอ่ะชื่อว่าพระครวญพ่อพระองค์เนี่ยมีมีโชคมีโชคอย่างหนึ่งก็คือมีมีคุณธรรมอ่ะนะคุณธรรมที่เหนือกว่าเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะมีหิริโอตตะมีศรัทธามีวิริยะมีสติสัมปชัญญะมีสมถวิปัสนาและก็หมวดสามว่าด้วยสัมมาวิตกษามพระพุทธเจ้านั้นแหละเป็นนักคิด พราะพระองค์มีสัมมาวิตกแต่คิดเรื่องนี้ความคิดเหล่านั้นเป็นไปกับกุศลธรรมนะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพุทธคุณว่าด้วยพักวานี่นะจะมีคําว่าพราะองค์นี่มีสัมมาวิตกสัมมาวิตกก็คือเนคข ม, มาวิตกอภยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเพราะนัยการเดินนั้นก็คือเดินตรึกเดินเจริญกุศลวิตกนั่นเองแต่กุศลวิตกนั้นจะต้องอาศัยความเพียรสัมมปทานอะ่ะ เพื่อสนับสนุนให้กุศลวิตกเนี่ยเป็นไปได้ทีนี้ต่อไปนะข้อสามโทษของที่จงกรมข้อที่สามคือมุงไว้รกรุงรังเนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมมุงไว้รกรุงรังด้วยหญ้าและเถาวัลย์เป็นต้นในเวลากลางคืนก็จะเหยียบสัตว์มีงูเป็นต้นกระทําให้มันตายหรือจะถูกพวกมันกัดได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นการที่มุงบังรกรุงรังจึงจัดเป็นโทษข้อที่สาม เดี๋ยวพวกงูมาเลื้อยมาอะไรอยู่แถวนั้นนะตกขึ้นมาเหยียบพังเข้ามันก็แหวงกัดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นโทษของสถานที่ที่มุงที่รุงรังเช่นข้างบนเนี่ยเป็นใบไม้ใบหญ้าหมดเลยนะป่าทึบๆเนี่ยนะข้างบนเนี่ยเป็นใบไม้รกๆเนี่ยแล้วเดินข้างล่างเนี่ยบางทีเนี่ยเดินเนไปเดี๋ยวว่าพวกหนูพวกงูพวกอะไรก็จะตกลงมาขณะที่กําลังเดินนั่นแหละทีนี้โทษข้อที่สี่ก็คือที่เดินจองกลมเนี่ยนะคบแคบมากนะักมีโทษยังไง มีโทษว่าเมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมแคบเกินไปซึ่งมีกำหนดโดยกว้างเพียงศอกเดียวหรือครึ่งศอกก็คือคืบสองครบนะที่เดินจงกรมแค่คืบสองครบเนี่ยแคบไปเล็บบ้างนิ้วมือบ้างก็จะไปสะดุดเข้าแล้วก็แตกเดินไปสะดุดอย่างใดอย่างหนึ่งเข้านะเพราะฉะนั้นความคับแคบเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็บอกว่าข้อที่หก็คือกว้างเกินไป เมื่อเดินบนจงกรมที่จงกรมกว้างเกินไปจิตก็ย่อมวิ่งพล่านจะไม่ได้ความมีอารมณ์แน่วแน่เพราะฉะนั้นการที่ที่กว้างเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่ห้ากว้างเกินไปก็ไม่ดีแล้วไอ้ที่ถูกเป็นยังไงอ่ะท่านบอกว่าที่จงกรมโดยส่วนกว้างได้สอกครึ่งสอกครึ่งสอกหนึ่งก็ห้สิเซนใช่ไหม <50. S 1> ก็คือประมาณเจ็ดสิบห้าเซน <50. S 1> นะเจ็ดิห้าเซนนี้ถือว่ามาตรฐานความกว้าง สองข้างมีประมาณศอกหนึ่งนะที่จงกรมโดยส่วนยาวมีประมาณหกสิบอกสาสิบเมตรมีพื้นอ่อนนุ่มมีทรายโรยไว้เรียบก็ใช้ได้ถ้าก็เลยยกตัวอย่างที่จงกรมที่มาตรฐานเหมือนจงกรมของพระมหินทธัธระพระมหินทธัธระนั้นเป็นใครเป็นลูกของพระเจ้าอาโศกมหาราชที่นำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่ประเทศสีลังกาที่จงกรมของท่านได้มาตรฐานเหนั้น ผู้ปลูกฝังความเลื่อมใสให้กับชาวเกาะที่เจติยะคีรีวิหารก็ได้เป็นเช่นนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราได้สร้างที่เดินจงกรมไว้ในอาสมนั้นอันเว้นจากโทษห้าประการกว้างสอกครึ่ง75็ดสิห้าเซนยาว30สิเมตรนั่นะคือที่จงกรมมาตรฐานที่จงกรมห้าอย่างแล้วก็พูดถึงอัฏฐคุณสัมเปตัง ประกอบด้วยความสุขของสมณะแปดระการเออเนี่ยนะมาลองดูนะว่าบวชมาแล้วได้รับความสุขแปดอย่างทันทีเนียเผื่อใครจะสนใจบวชม้างก็ได้อันนี้สงความสุขแปดอย่างนะอ่าชื่อว่าความสุขของสมณะแปดประการมีดังต่อไปนี้นะข้อแรกบอกว่าไม่มีการห่วงแหนทรัพย์สินและข้าวไม่ห่วงภาพอย่างเลยนะมีข้าวคองให้ห่วงสักอย่างเลย ข้อสองเขบอกว่าสแสวงหาแต่บินทบาทที่ไม่มีโทษข้าวปลาอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่มีโทษใช่ไหมข้อสามบริโภคแต่บินทบาทที่เย็นร้อนๆจริงๆเนี่ย โ, โหว่าได้ฉันเนี่ยยากนะเขาบอกโอ้ทำอาหารร้อนๆไปถวายท่านอะร้อนที่บ้านโยมอะไปถึงที่พระฉันเย็นหมดนะอันได้รับบริโภคอาหารที่เย็น C ไม่มีการบีบบังคับราษฎร ในเมื่อพวกลูกหลวงทั้งหลายเที่ยวบีบบังคับราษฎรถือเอาทรัพย์มีค่าและเหรียญกระสาบตะกั่วเป็นต้นเขาบอกว่าข้าวของเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการไปบีบบังคับขูดรีดได้มาหัวงั้นเถอะอันคนที่ให้นั้นต้องเขาให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ไปบอกว่าเออต้องให้เท่านี้นะต้องเท่านั้นนันไม่มีทักอย่างอันเขาก็ทําบุญด้วยศรัทธาเข้าไปแต่แตามไม่เหมือนกับท่านก็ยกเหมือนหลวงอ่ะนะลูกหลวงทั้งหลายเนี่ยก็คือก็ต้องไปบีบนะ ถ้าแกจะเอาอันนี้ไปภาษีเท่านี้นะอันนี้ภาษีเท่านั้นเท่านี้